โอกาสต่อไปนี้เป็นโอกาสฟังธรรมนั่งภาวนาฟังธรรมมันเข้ากันขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาล้วก็ฟังไปด้วยมันจะเป็นการตั้งใจเป็นกำลังสองหนึ่งตั้งใจภาวนายังไงเราก็ต้องได้ยินหูเราต้องได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมที่ท่านพูด ถ้าหากเนื้อหาของอัดธรรมมันเกาะจิตเกาะใจมันก็ไม่เส e okay. ียหายเราก็ทำความรู้ทำความเข้าใจกับเสียงอัดเสียงธรรมนั้นๆถ้าหากไม่อยากอยู่กับเสียงอัดเสียงธรรมเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือจะกำหนดอาณาปานสติกำกับโดยพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ มันจะทำให้เราได้ได้กาลังใจได้ความตั้งใจมันได้ความตั้งใจมันเพิ่มความตั้งใจเข้ามาท่านจะพูดธรรมะไปห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงขอให้เราตั้งอกตั้งใจนั่งฟังไปไม่ต้องไปคำนึงถึงเจ็บถึงปวดมไม่ต้องกลัวเจ็บโกรวปวดเจ็บปวดมาเรามีวิธีสู้มันเวทนาเรามีวิธีสู้มันยาก เราไปตั้งกลัวเจ็บกลัวปวดซะก่อนมันไม่ได้เพียห้านาทีสิบนาทีแล้วแหละเดี๋ยวตันหามันสกิดแหละมันแทรกเข้ามาแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทธัตสะนะโมตัสสะ พะระวะโตอรหโตสัมมาสัมบุตตจาระโมตัสาพะพระวะโตอรหโตสัมมาสัมบุตตจาสะกาเลนะธรรมัรสวนังเอตัมมังคลมุตตมังกาเลนะธรมรมะสากัตช่าเอตัมมังกัลมุตตะมังภูชาจะภูชนียานัง เอาตามามังกลมุตตามันตี <c oughs> เอาตามที่ปรารภไว้นั่นแหละเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเราฟังไปด้วยเราภาวนาไปด้วยห <c oughs> ากไม่อยู่กับเสียงอัดเสียงธรรมก็อยู่กับภาวนาถ้าไม่อยู่กับภาวนาให้มันตกมาอยู่กับเสียงอัดเสียงธรรมอยู่สองอย่างแค่นี้แหละ ให้กิดอยู่ในห้องนี้ไม่ออกไปนอกห้องนี้ให้สงบอยู่กับอารมณ์ที่เราให้ก็อยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์สมถตมีความหมายมีความสำคัญเราอยังมองข้ามสมถะคือความสงบอารมณ์ของสมัตก็คือกาหนดเพียงอารมณ์เดียวเพื่อไม่ให้ใจเรามันสับสนพุโทโธพุโทโธพุโทโธทิ้งอย่างอื่นให้หมดไม่ต้องไปกังวลห่วงใยอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องมาตามรู้กิริยาอาการของจิตเราไม่ต้องมาตามรู้ลักษณะการตามรู้การพิจรารณารู้ตามอารมณ์ที่มันพลิกแปลงไปอันนั้นเป็นเรื่องของมหาเจติมันเป็นเรื่องของวิปัสสนาแต่ถ้าจิตมันอยู่มันก็ดีทั้งสองอย่างนั่นแหละเมื่อที่เราทําไปเราทําไปมันจืดจางมันเอาไม่อยู่มันตามไม่อยู่เดี๋ยวสัญญาอารมณ์มันแทรกเข้ามาเดี๋ยวสัญญาอารมณ์ก็แทรกเข้ามา เราอยู่กับอารมณ์เดียวให้มันสับสนพุโทโธพุโทพโธกุทโธอันนี้เป็นยอดของสริริเป็นยอดของมงคลทําไมท่านจึงว่าการฟังธรรมเป็นอุดมมังคลคําว่ามงคลแปลว่าเหตุเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียวทําไมจึงว่าเป็นเหตุเป็นไปเพื่อความเจริญโดยทันถ่ายเดียวเพราะการฟังอัดฟังธรรมนั้น ใ, <PTSD> ในนั้นมันมีแนวปฏิบัติมันมีข้อปฏิบัติแต่ถ้าคนมีปัญญาเราเห็นรูปก็เกิดปัญญาจากเห็นรูปได้ยินเสียงก็เกิดปัญญาจากได้ยินเสียงดูหนังฟังละครเราก็เกิดปัญญาจากการดูหนังฟังละครแต่ถ้าหากไม่มีปัญญาจดจ่อม <mens> ันไม่เกิดมันสนุกมันเพลินเพลินเลินไปแล้วก็เผลอละเพลินเพลินไปแล้วก็เผลอละ เพราะฉะนั้นเรากําำหนดให้อยู่กับอารมณ์เดียวมันทำจะไม่ทำให้ใจเราสรับสนมันไม่มากเรื่องไม่หลายเรื่องคิดเรื่องเดียวนึกเรื่องเดียวนึกให้เป็นงานงานนี้เป็นงานให้จิตของเราได้รับความสงบทุกคนต้องการให้จิตสงบทำไมจิตจึงไม่สงบจิตมันไม่สงบเพราะจิตมันมีสิ่งพาดีดพาดดิ้นในหัวใจของเรา ตันหาในหัวใจของเรามันพาจิตของเราดีดดิ้นมันเอาจิตของเราไปใช้จิตของเราจึงไม่สงบเราต้องการให้จิตสงบพอจิตจิตเราเริ่มสงบจิตเราอยู่กับอารมณ์ที่เราป้อนให้เขาทำจิตเราอยู่กับงานที่เราให้เขาทำจิตของเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตไม่ดีดดิ้นไปตามตันหาตอนนั้นตันหาสงบ โอกาสที่ตัณหาในหัวใจของเรามันสงบนับว่าเป็นโอกาสดีเป็นเลิก ง, งามยามดีเป็นยอดของอดลมเป็นยอดของมองคนเรื่องของกิเลสตัณหาที่มันมารุมรบเร้าในหัวใจของเรามันเป็นเรื่องของอัภมงคนมันไม่ใช่เรื่องของมองคนมันเป็นเรื่องทําให้จิตของเราเสื่อมซามต่ำช้าลงไปอยู่เรื่อยๆ เรื่องของเกลเลตันหาเรื่องอัดเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ล้วนจะเป็นข้อเป็นอุบายเป็นวิธีที่ทําให้เราเอามาดตอก่อนกับตันหาในหัวใจของเราแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์ทธาทไมมากมายถึงขนาดนั้นเราว่ามากมายมหาสาลแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเท่ากับใบไม้ในกำมือเองใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือของพระองค์ ที่พระองค์เอามาสอนนั่นน่ะคําสอนทั้งหมดที่พระองค์เป็นสัพพัญญูที่พระองค์เอามาสอนทั้งหมดคําสอนเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นนิดหน่อยหยิบมือเดียวเท่ากับใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่ามากมายมหาศาลเพื่อเอามาต่อกอ ก, กันกับกิเลสตัณหาแค่นี้ก็เหลือบากว่าแรงที่เราจะต้องมาจดมาจําเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียว ผู้ที่อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวก็คือจิตคือผู้รู้ผู้รู้ของเรารับอารมณ์ชัดได้ครั้งละอารมณ์เดียวถ้าเป็นสองอารมณ์สามอารมณ์ไปแล้วไม่ชัดเสอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กาหนดจดจอ่อทำให้จิตได้รับความสงบจิตได้รับความสงบนั้นจิตมีพลังจิตมีอนุภาพจิตเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระ จิตเชื่องจิตชินกับอารมณ์ที่เราเคยบังคับให้เขาอยู่เช่นอย่างพุทธโธ ท, ทำไมครูบาอาจารย์จึงจึงให้พวกเราว่าพุทธโธพุทธโธเพราะคาว่าพุทธโธมันไม่สับสนมันไม่มากเรื่องมันไม่หลายอย่างแค่เราจับจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวในเมื่อจิตเราของเราเริ่มอยู่กับอารมณ์เดียวจิตของเราก็จะเริ่มสงบในนั้นมีสติกากับมีสัมปชัญญะกากับ มีความอดความทนมีวิทยะมีอุตสาหะกรรกับอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาเราทํางานไปแล้วเนี่ยเขาจะประกอบกันเป็นก้อนเดียวกันเป็นแท่งเดียวกันผนึกมาเป็นกําลังอันเดียวกันแต่ถ้าหากเราจะไปแยกอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ใช่อนนใชตอนจิตเราอยู่ตอนจิตเราไม่อยู่ถ้าเราไปแยกอันนั้นก็โลภอนนันก็เกลียดอันก็ราคะอันนั้นกับตัณหาเนี่ยมันไปคนละอย่างมันเป็นคนละฝ่าย แต่ถ้าจิตเราสงบสติก็แนบแน่นมั่นคงชั้นไปชั้นยะก็พรั่งพร้อมอยู่ในนั้นความอดความทนอะไรมันต้งล่ำรวมลงไปในนั้นทั้งหมดมันพร้อมอยู่ในนั้นหมดจิตของเราสงบจิตของเราสงบจิตของเราอิ่มจิตของเราไม่สงบจิตของเราหิวจิตหิวอารมณ์อารมณ์ของจิตคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัส คำว่าสัมผัสก็คือกายะสัมผัสกายะสัมผัสจัคคุสัมผัสโสตะสัมผัสกายะสัมผัสโพธภะคือกายประสาทมันสัมผัสอสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจิตจิตจะวิไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโพธภะแต่เราไม่ให้จิตเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นถ้ากจิตเราเป็นกามรูปก็เป็นกามเสียงกินรสผลิตภัณฑ์ทำอารมณ์ทั้งหลายนั้นพวกเป็นกามทั้งหมดแต่ถ้าจิตเราเริ่มสงบก็สงบจากสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าตัณหาสงบตัณหาสงบจิตของเราเป็นอิสระในความสงบนั้นมีความสุขมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมีความอบอุ่นเป็นยอดของสริริเป็นยอดมงของมงคลเป็นยอดของการพัฒนา เป็นการพัฒนาอย่างถูกจุดเป็นการพัฒนาอย่างถูกที่เรามาพิจารณาดูว่าคนเรานั้นมีจิตดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรามีจิตดวงเดียวแทๆ้ๆแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราแต่ถ้าเราไปแยกแยะตามหลักวิชาการทั่วๆไปจนเป็นเหตุให้เราสับสนวุ่นวายการตั้งใจภาวนาเราไม่ต้องไปดูอะไรมากมายจ่อมาทีู่้รู้ของเรา อารมณ์มันเดียวคือจิตให้จิตอยู่กับหิริอยู่กับโอตปะกับสติกับสัมพััญญารู้ตัวทั่วพร้อมในขณะปัจจุบันทันด่วนทุกขณะพุทโทยับหยับหยับพุทโทพุทโธ ท, ทงความรู้สึกตั้งแต่พุทไปจนถึงโททงความรู้สึกตั้งแต่โทไปจนถึงพุทพุทจนถึงโทโทจนถึงพุทไม่ให้มันขาดช่วง เราทำอยู่อย่างนี้จิตไม่สงบลองดูสิจิตของเราต้องสงบเราอย่าปล่อยมันเผลอแต่ต้องตั้งอกตั้งใจเต็มร้อยนะตั้งใจห้าสิบนาทีไม่ได้แปดสิบตั้งใจห0 8สิเอร์ซ็นปดสิบเอร์เซ็นไม่ได้ต้องตั้งใจเต็มร้อยตั้งเจตนาเต็มร้อยตั้งเจตจำนงเต็มร้อยไม่งั้นเอาไม่อยู่สิ่งที่ดื้อที่สุดก็คือตัณหาในหัวใจของเรายิ่ยงมันรู้ว่าเราจพยายามจะดัด มันด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยมันยิ่งเบ่งเบ่งกล้ามใส่เบ่งอวดฤทธาสักดานุภาพนั่ น, หาา น, น, น, น, นแหละคือตัวพยามานยามานกิเลสมานกิเลสมานนี่แหละคือตัวพยายามอ่าที่รังความหัวใจของเราเราทำใจให้ได้รับความสงบเถอะมีความสุขมีความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงรูปอิงเสียง เป็นความสุขที่ไม่อิงความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นความสุขที่ไม่อิงความยินดีไม่อิงความยินร้ายเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบจากสันติคือความสงบอย่างราบคาบแน่นอนหัวใจของเราแค่สมถะคือความสงบแค่นี้มีใครปฏิเสธได้บ้างเพราะฉะ้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสสันนติสันติปรังสุขขังสุขอื่น ความสุขอื่นๆยิ่งกว่าความสงบของใจไม่มีสุขของความยินดีกลับได้มาะพอเดี๋ยวกระดา่าเดี๋ยวมันก็เสียไปกลับทอใจในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็มีสิ่งไม่พอยายแทรกเข้ามาสิ่งนี้เป็นเรื่องของโลกธรรมมันมีแล้วมันกลับเป็นอื่นมีอย่างหนึ่งแล้วก็กลับปเป็นอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเป็นอย่างหนึ่งเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนี่คือปัญญาของเรา จิตของเราสงบจิตได้รับความอบอุ่นได้รับความแช่มชื่นเบิกบานไม่มีผลมีอานิสงส์ไม่ต้องไปกลัวมันติดความสงบไม่ต้องกลัวติดสมาธิบางคนทําสมาธิยังไม่เกิดยังไม่เป็นด้วยซ้าไปกลัวจิตติดสมาธิวิตกกังวลเชื่อก่อนทําให้มันพิสูจน์ให้มันถึงจุดเต็มที่เราจะรู้ว่าติดหรือไม่ติดสมาธิหรือไม่สมาธิอย่าคิดว่ามันของอกล้วยมันไม่กล้วย มันไม่กล้วยทั้งอกตั้งใจทํามเถะเราเห็นคุณค่าของความสงบถ้าหากเราคิดว่าตัณหามันทำให้จิตของเราไม่ได้รับความสงบเมื่อภายในจิตของเราสงบระงับตัณหาตัณหามันจุดตัณหามันไม่มาโดดดิ้นหากมันยังไม่ตายไปแต่มันไม่ไม่มาโดดดิ้นเราจะเห็นคุณค่าของความสงบความสงบของจิตนี้เอง เราเอาความสงบของจิตจิตที่ได้รับความสงบได้รับความอิม่มเอิบเป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่มีพลังเอาไปพิจารณาให้เห็นหลักของสัจธรรมให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้ความเป็นไปเป็นมาของรูปธรรมของเราให้รู้ความเป็นไปเป็นมาของนามธรรมของเราเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักความเป็นไปเป็นมาของรูปธรรมของเราเราก็หลงหลงรูป เราไม่รู้จักความเป็นไปเป็นมาของนามธรรมคือจิตอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมเราไม่รู้ที่ไปที่มาเราก็หลงทั้งหมดนี้แหละคือกองสังขารเพราะฉะนั้นกองสังขารที่เราไม่ได้ได้รับพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเราก็จมปลักอยู่ในเรื่องของอวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้สิ่ง น, นี้มียังไงอยู่ยังไงเป็นยังไงไปยังไง ปลอยตามบุญตามกรรมไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตของเราให้มีความรื้ฟื้นให้ตื่นเนื้อตื่นตัวจากตันหาจากโมหะคือความลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้ก็พันหัวใจของเราอยู่ร่ำไปพระฉะวิชวิชาการที่พระเจ้าเอามาสอนพวกเรานั้นเป็นวิชาการที่พระองค์ตรัสรู้หลังจากตรัสรู้แล้วพระไถยของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดหมดจด อ่ามีญาณที่เรียกว่าอาสะวะยายาัคคยญาณรู้ว่ากิเลสในพระไทัยของพระองค์หมดจดลอยชิ้นเชิงในราตรีในยามสุดท้ายของรารตรีวันเพ็ญเดือนหกนั้นบุตรเจ้าท่านทรงบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมทําให้พระองค์มีพระญาณรู้ว่ากิเลสในพระไทัยของพระองค์หมดจดโดยชิ้นเชิงกองทุกข์ทั้งหลายที่เคย กองทับถมอยู่ในหัวใจของพระองค์เหือแห้งหายไปหมดเนื่องจากว่าตปะธรรมในพระทัยของพระองค์แผดเผาทุกระยะทุกเวลาหมุนอยู่นั้นไม่ยอมจบหมุนไม่จบหมุนจนจริงเหล่านี้เหือดไปแห้งไปจากคันทันดานมีญาณทัศนะปรากฏแก่พระองค์ว่าโอ้กิเลสตัณหาในหัวใจของเราหมดจดจากพระทัยของเราโดยชิ้นเชิงแล้วที่ท่านเรียกว่าอาสวัคยะ ยานรู้ว่ากิเลสทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปจากพระไทยเกิดความยินดีเกิดความพอใจถ้าพูดแบบภาษาเราเราก็ว่าพอใจยินดีพอใจใครบ้างอยาไม่ภูมิใจในผลงานที่เราทาแล้วได้ผลแม้พระพุทธเจ้าท่านยังทรงอุทานทรงอุทานรู้โอ้ตันหาทั้งหลายทั้งปวงเคยสร้างบ้านสร้างเรือนให้เราตอนนี้เรารู้หน้ารู้ตาแล้ว ต่อไปจะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เราอยู่อีกต่อไปไมาได้อีกแล้วนั้นเราก็ทําลายแล้วอันนั้นเราก็ทําลายแล้ ว, อ, นนลลวอันนั้นก็ทําลายแล้วนี่ในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันเพ็ญเดือนหกเป็นวันที่พระองค์ได้บรรลุหลังจากบรรลุแล้วก็เอามาวินิจฉัยไข้ครวนว่าเราจะมาลําดับต้นปลายเพื่อที่จะสอนบอกสอนพวกเราได้ยังไงมันไม่ยากสรบพระไทยของพระองค์สัพพัญญุตยานพร้อมอยู่ในนั้นทั้งหมดเราจะมาเริ่มต้นได้ยังไงที่จะสอนพวกเรา เพราะฉะนั้นในวันอาสาฬหา์วันเพ็ญเดือนแปด น, นั่นเองเป็นวันที่พระองค์เสด็จด้วยพระบาทไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ปะอิสิปัทนะมฤิกทายาวันธรรมะการแรกของพระองค์ธรรมจักกับปัทนสูตรสูตรที่เป็นไปจกัจกจักทำเป็นไปที่พระองค์ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์พระอัญญาโกนทัญญะได้รู้ ได้รู้ตามกระแสธรรมจิตเข้าถึงกระแสธรรมตามธรรมะของพระองค์เมื่อพระอัญญาโกนธัญญะมีจิตอย่างเข้าถึงกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อุทายขึ้นว่าโอ้อัญญาสิอัญญาสิวัตโพโกนโยอัญญาสิวัตโพโกนโยคนธัญญาได้รู้แล้วเนอคโกทธัญญาได้รู้แล้วเนอถ้าจะพิจารณาเหมือนอย่างเราเราเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยดีใจพอใจเนี่ยลุ่มหลงในผลงานของตัวเองไม่ใช่มีใครจะปฏิเสธได้บ้าง ในเมื่อกิเลสตัญหาเหล่านั้นมันหมดสิ้นไปแล้วสิ่งที่ทําให้เกิดผลขึ้นมาทําให้คนอื่นได้รับผลตามมาจะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงพระอัญญาโกณธนญะฟังเทศของพระพุทธเจ้าจิตเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมนี่หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าจะว่าสมมุติ กรู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นนะเปลยนนั้นถ้าเราไม่ว่าสมมติเราดูแต่กิริยาอาการก็ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนธรรมดาคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเป็นเป็นชื่อกว้างไปหมดอะไรก็ได้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ปรากฏขึ้นอยู่บนโลกใบนี้กองสังขารสังขารที่มีใจครองเช่นอย่างสัตว์มนุษย์อย่างเนี้ยสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นอย่างวัตถุอยู่รอบข้างตัวเรา เป็นเรื่องของสังขารรู้ที่ไปที่มารู้กระแสของธรรมชาติกระแสของธรรมชาติเหล่านั้นคืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นธรรมดาตั้งอยู่ธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นคือกระแสรธรรมที่เป็นไปในโลกนับย้อนลงมามาถึงรูปธปรรมของเรานับย้อนเข้ามามาถึงนามธรรมของเรานับถอยออกไปสังขารอยู่รอบข้างตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นปูนเป็นเหล็กเป็นหลาเป็นอะไรอยู่รบข้างตัวเราไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มีชีวิตต้นไม้ตายอแผ่นดินแผ่นน้ําเป็นอะไรทุกอย่างสารพัดไม่มีอะไรสักอย่างที่อยู่คงที่เท่าเดิมนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของมันไม่อยู่คงที่เท่าเดิมนั่นคือกระแสธรรมทรุบลงไปก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้พระองค์ทรงวา่าทุกขัง เปลี่ยนไปท่านว่าอานิจจังอนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างนั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างนั้นไม่มีใครไปหันไปเปลี่ยนไปแปลงกระแสให้เป็นทิศเป็นไปในทิศทางอื่น เ, นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นี้เองพระองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาแต่ตัณหาในหัวใจของเราทุกคนเราชอบไปบีบไปบังคับสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเอง บังคับสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจอยากใจหวังของตัวเองบังคับได้สักอย่างไหมบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ว่ากิจธุระการงานทั้งหลายทั้งปวงบังคับให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้สักอย่างเราไปมั่นหมายกับสิ่งใดมากจนเกินไปก็จะทำให้เราได้รับความทุกข์เพราะมันไม่ติ้เป็นไปตามใจหวังของเรามีลูกเป็นที่รักมีสามีเป็นที่รักมีภรรยาเป็นที่รักอะ คิดจะให้เป็นไปตามใจหวังกระิมยิมย่อมอยู่ในย่อมอยู่ในใจหวังข้งเราสักหน่อยหนึ่งอา้าวสามีเราเป็นอื่นไปแล้วอา้าวภรรยาเราเป็นอื่นไปแล้วลูกเราเรียนอยู่ดิบดีได้คะแนนเกรดอย่างดีไปไปมามาอ้าวลูกเราติดยาบ้าสช่แล้วผิดหวังอีกแล้วทุกข์อีกแล้ววิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราศึกษานั้นให้เราศึกษาว่าทุกอย่างในโลกมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ เราจะเอาจิตของเราไปกะเกณสิ่งนู้นให้เป็นไปตามใจหวังของเราไม่ได้กะเกณฑสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังของเราไม่ได้ด้วยเหตุที่เราชอบเอาไปกะเกณฑ์ตัณหาในใจของเรามันชอบเอาไปกะเกณ์เราก็ทุกข์กะเกณฑสิ่งนู้นไม่เปลยนไปตามใจหวังก็ทุกข์กะเกณสิ่งนี้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ทุกข์โ <Power. S 1> ดยเหตุที่เรากะเกณฑไม่ได้นี่เองพระพุทธเจ้าท่านจริงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน เป็นไปตามภาวะตามเหตุตามปัจจัยของมันเรามาเทียบดูว่าอุทกดาบทออาระดาบทท่านภาวนาถึงขั้นรูปปสมาบัติอรูปปสมาบัติถึงความสุขอย่างเต็มที่จิตละเอียดจิตมีความสงบมีฤทธิ์มีเดชสามารถดำดินบินบนอะไรได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถจะพิจาราเห็นอันนี้อ่างทุกขังนัตตามันมีสิ่งบดบังอยู่ไม่มีบุญบารมีพอ ที่จะทะลุทะลวงตรงนี้ไปได้พระรูปทีเจ้าไปเจริญรู ป, ปสมาบัติอรู ป, ปสมาบัติจบภายในระยะเวลาอันสัน้นหลังจากนั้นแล้วเธอเรียนจบแล้ววิชาที่เรามีาเธอเรียนสําเร็จแล้วเธอจบแล้วแต่พระรูทีเจ้าท่านยังทรงมองมาเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายกองเต็มแพร่ยอยู่ในหัวใจของพระองค์ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตาย ทุกวิโยคทุกพลัดพรากทุกไม่พอใจทุกเสียใจทุกผิดหวังทุกน้อยเนื้อต่ำใจสารพัดมันมีกองเต็มแพร่กันหัวใจเอ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทําไมจึงยังมีอยู่ก็แสดงว่าอันนี้ยังไม่ถึงที่สุดพระเยซูองค์จึงลาออกมาแล้วก็บําเพ็ญโดยโดยลําพังของพระองค์รองค์ก็เอาตะปะทมเหล่านี้ด้วยเหตุที่จิตมีความสงบทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จดจ่ออยู่กับรเรื่องเดียว มาพิจารณาหมุนไล่ถึงความเป็นไปของรูปธรรมก็เห็นทะลุปปโปร่งหมดพิจารณาไล่ไปของนามธรรมาก็เห็นจนทะลุปปโปร่งหมดเป็นเหตุให้พระองค์เห็นเห็นไหมในวันจุดท้ายอในวันเป็นเดือนหกนั่นน่ะนับตั้งนับตั้งแต่ปฐมยามนะยามปฐมยามคือยามต้นเห็นบุพเพ น, นิวาสานุสติยานในยามถ้ำกลาง เห็นจุดูป่าทะยานเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจของกรรมเห็นภพชาติของตัวเองเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจของกรรมเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจของกรรมทำให้พระองค์ข้องใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ใหตายกันแน่ถ้าหากเอาจิตไปเภาวนาะให้จิตได้รับความสงบอยู่ก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละสงบไม่ลึกไม่คิดถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นเลยจิตสงบละเอียด นิ่งเหมือนกับปล่อยวางได้ทั้งหมดแต่เวลาออกจากสิ่งเหล่านั้นมาอารมณ์ปกติทำดาให้จิตตรงนั้นกลับมานึกมาคิดยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่พระองค์ว่าไม่ใช่พระองค์ก็ลาออกมาบําเพ็ญโดยลําพังทุกกระกรริยาทุกอย่างที่บําเพ็ญให้หนักแน่นในยุคนั้นในสมัยนั้นพระองค์ก็ทํำจนหมดอืตามที่เราเห็นทุกกระกิริยาที่ท่านเรียกว่าอัตตกิลมัทฐานนยโ เอาฟันกัดฟันเนี่ยที่ว่ากดพระทนด้วยพระทนกดลิ้นด้วยเพดานเอาลิ้นพระองค์ไปกดเพดานกลั่นลมหายใจไม่ให้เข้าไม่ให้ออกจนลมไม่มีทางออกออกทางหงูอูอันนี้คือการทรมานร่างกายไม่ไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้จิตเข้าไปรู้ไปรู้นนไปรู้นี้มันเป็นการทรมานรูปประธรรมมันไม่ใช่นามธรรมาแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่รูปประธรรม รูปธรรมเป็นผลิตผลของกิเลสเป็นเนื้อหนังของกิเลสเป็นผลิตผลของกิเลสกิเลสมันอยู่ที่ใจตัวกิเลสก็คือตัวความอยากคือตัวตัณหาตัณหาคือกิเลสกิเลสคือตัณหาอวิชชาคือกิเลสกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นของกิเลสทั้งหมดท่านมาเทียกตามกิริยาการที่มันเปลี่ยนไปแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่เนื้อแท้ของมันเราดูไปที่จิตที่ผู้รู้ดวงเดียว เราจะรู้เราจะเข้าใจหมดว่าจิตดวงนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราไปยินดีกับสิ่งนั้นไปยินร้ายกับสิ่งนี้ไปหาเรื่องกับสิ่งโน้นหาเรื่องกับสิ่งนี้ยังมีความฉลาดไม่พอเพราะฉะนั้นวิชาการที่ปรองทรงฝึกฝนโอโร ม, มานี้จึงเป็นวิธีการที่เจอะจอกเข้ามาจอะเข้ามาที่ผู้รู้ที่ดวงรู้ดวงเดียวนี่แหละสามารถเห็นที่ไปที่มาของรูปธรรมได้ เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางในรูปธรรมเจาะมาที่นาำ ม, มันทำได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางในน า, มมาำมัรทมบ่นปลายสุดท้ายแห่งราตรีทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัคยายานพอใจพอพระทัยแล้วแหละสิ่งที่เคยเสียอกเสียใจกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ความทุกข์จากสิ่งนู้นจากสิ่งนี้จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจเหือดแห้งหายไปหมดถูกแผดเผาด้วยตปะธรรมที่พระองค์ทรงหมนุน อ, อยู่อย่างนั้น อันนี้หมายความว่าพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบารมีสามารถทําให้สิ่งลี้สิ่งเหล่านี้หมดไปนี่คือสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันเข้ากับหลักศีลสมาธิและกัปัญญามันเข้ากับหลักทุกขสมุทยมัยนิโรธมรรคหลักอริยสัจสี่มันเข้ากับหลักปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นแนวทางอันนี้วิธีการนี้จึงเป็นวิธีการหลักที่พวกเราเอามาใช้หมุนมาใช้พิจารณาค้นคว้า เพื่อรู้ที่ไปรู้ที่มารู้ว่า น, นี้เป็นเหตุของอันนั้นอันนั้นเป็นผลของอันนี้อันนี้เป็นเหตุของนี้อันนี้เป็นผลของอันนี้ผลของอันนี้กลายเป็นเหตุของอันนี้เหตุของนี้กลายเป็นผลจากอันนั้นมันพวกมันพันกันอยู่อย่างนั้นแหละเราไปไล่ดูมาดินะับตัง้งแต่อวิชชาซึ่งพระองค์ตรัสผู้รู้ของเราเกิดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่เราไม่ทราบรู้แต่ว่าพระองค์ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะมีสิ่ง ที่เป็นเหตุให้เศร้าหมองเคลือบแฝงมาด้วยคือกิเลสตัณหานี่เองผู้รู้คือจิตของเราเนี่ผู้รู้รู้เนี่ยเราได้มาด้วยกันทุกคนแต่มันได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์มันปนเปื้อนกับสิ่งที่ทําให้จิตของเราเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาอาสวะนี่เองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระองค์พระองค์ทำจนสามารถแยกสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์จนเหลือพระจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียว แยกสิ่งที่ทำให้จิตเปื่อนเศร้าหมองนั้นหมดไปจากขันธสันดานของพระองค์เอาหลักวิชาการเหล่านี้มาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมาตั้งแนวที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาททาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดถ้าเราไม่พิจารณาถึงเหตุถึงปัจจัยเราจะรู้จักเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมะยากแต่ถ้าหากเราพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแล้วเราจะเห็นความเป็นไปความเป็นมาของมัน เราดูว่าสังขารกองสังขารกองสังขารรูปของเรากองสังขารนามของเรากองสังขารรูปของเรากองสังขารนามของเราทำไมท่านจึงเรียกว่าสังขารเพราะมันเป็นสิ่งตรุงสิ่งประกอบสิ่งรู้ผู้รู้ผู้รู้หนึ่งเดียวถ้าชำระได้เหลือหนึ่งเดียวเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เชื่อว่าเป็นสังขารแต่ด้วยเหตุที่ว่า ผู้รู้ของเราไม่คงที่เปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนไปเศร้าหมองบ้างท่องใสบ้างทุกบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างปนเปื้อนไปกับกิเลสทันหาอาสมะเหล่านี้ผู้รู้ของเราจึงไม่บริสุทธิ์มีสิ่งเคลือบแฝงมาด้วยไม่เป็นหนึ่งแล้วต้องเป็นสองมีสองกับสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยกลายเป็นกองสังขารอาวิจาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขาเนี่ยเป็นปใจใัจจัยเกิดอย่างนี้ทําไมจึงเป็นปใจใัจจัยเกิดก็เพราะเราไม่รู้ เพราะฉะนั้นเป็นเหตุว่าพวกเราจะต้องมาทาความรู้ทำความเข้าใจทาความศึกษาเพื่อให้รู้รู้ความเป็นไปของกองสังขารสังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประอบกันเราเรียกว่ากองสังขารสังขารกองสังขารตั้งแต่สิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าสังขารไม่มีอะไรอยู่คงที่สักอย่าง นับตั้งแต่ตัวเราสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้หนึ่งเดียวที่จะอยู่คงที่ไม่มีหากแต่ว่ า, าของบางอย่างอายุสั้นของบางอย่างอายุยาวของบางอย่างอายุยาวของบางอย่างอายุอายุสั้นแม้แต่หินแม้แต่ดินเมื่แต่หินแ ม, แ, แม้แต่เหล็กแม้แต่เหล็กกล้าอายุเป็นร้อยปีพันปีแสนปีล้านปีต่อไปขณะสิ่งเหล่านั้นก็จะจะเปลี่ยนรูปอย่างหนึ่งไปเป็นอย่างหนึ่ง มันไม่เคยอยู่เท่าเดิมมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยตามระยะตามการตามเวลาไม่ใช่จะดำรงตนอยู่อย่างนั้นเป็นกับกับแม้แต่จิตที่รู้ๆที่เรียกว่าจิตในรักความสงบดำรงตนอยู่อย่างนั้นเป็นกับกับพอถึงการถึงข่าวหมดอานิสงส์พอหมดอานิสงส์จากการบำเพ็ญไดก้ก็คลายมาจากความสงบาจากจิตที่เคยอยู่ละเอียดลึ ก, ล, กลึกสูงสูงสงบสงบนะ่ อก็มาขยับข ย, บออยายมาเป็นนู้นเป็นนี้มีตันหามีราคะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ามากําเริบออกทางตาหู ốt, จมูกลิ้นกายใจเป็นต้นก็เหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงว่าโลกของเราเกิดโล ก, โลกของเราเกิดะที่แรกก็มีอันนั้นมีอันนี้มาปรากฏมีอนุู้นมาปรากฏมีอนันนี้มาปรกาปรกฏยิ่งเพ่งไปยิ่งมองกันไปมองกันมาอา้าวตันหาปรกากฏอ้าวอันนั้นปรกากฏอ้าวอันนี้ปรากฏก็คืออะไรคือของเก่ามันยังมีอยู่มันยังไม่หมดมันจึงมาปรากฏ เหมือนอย่างที่ที่ท่านว่าพวกพรมพวกพรมก็ลงเมาบัดพวกพร ม, ม, าาพกพรมปกติพวกพรมเนี่ยเขาจะไม่ฉับไวกับอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเพราะเขาเคยอยู่แต่กับอารมณ์ของความสงบแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่มันจะนิ่งมันจะคงที่อยู่อย่างนั้นพอถึงการถึงคราวก็เหมือนอย่างที่ว่าเอา้ามีเพศผู้หญิงมีเพศผู้ชายนี่นับตั้งแต่ปฐมมากลับที่ท่านพูดถึ ง, งนั่นแหะ มาดูกันเพ่งกันไปเพ่งกันมาอ้าวเกิดตัญหาเกิดราคาเกิอดอะไรขึ้นมาแพร่พันกับกันเป็นโรคเป็นมาอยู่มันอย่างทุกวันนี้ก็สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันไม่หมดไปมันไม่สิ้นไปจะสิ้นระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ตามในเมื่อยังเป็นกองสังขารอยู่กองสังขารเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเดี๋เราดูมาพิจารณาเพื่อให้เป็นเครื่องประกอบว่าเราจะพิจารณาเพื่อทำลายทุกโทุใ น, ในหัวใจของเราเราจะพิจารณาอย่างไร เราดูสังขารกองสังขารเราดูไม่ยากเราดูเอาตัวเราเนี่แหละเป็นประจักษ์พยานเราย้อนจากนี้ไปถึงท้องแม่ในท้องแม่ของเราทุกคนเกิดมาจากในท้องแม่ด้วยกันทุกคนเราย้อนไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้เล็กกันไปเล็กกัไปเลก็กกไปเลก็กกไปเล็กกไปจนไปเข้าอยู่ในท้องแม่เล็กกันไปอีกเล็กกันไปอีกอายุเข้าไปอายุสั้นเข้าไปจนถึงนู่นตอมพ่อกับตอมแม่ประกอบกันธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกับในในท้องแม่เป็นเลือดหยด หยดๆดเดียวใสๆปรากฏอยู่ธาตุดินน้ำลมไฟของพ่อกับธาตุดินน้ำของน้ำลมไฟของแม่ประกอบกันในท้องแม่เมื่อประกอบกันแล้วเป็นกองสังขารมันเป็นการกำเนิดของมนุษย์อ่ากองสังขารกองนั้นก็นจะเจริญวัฒนาถากรมาตามลักษณะของการกำเนิดของมนุษย์ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นคือกองสังขารเราดูให้เห็นเป็นอุปมาอันนี้ เรามาใช้เป็นหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีเราพิจารณาจากนี้แหละ ย, ย้อนไปย้อนไปย้อนไปอัตตาตัวตนอัตภาพร่างกายเราหายไปหมดเหลือน้ําหยดใส่หยดเดียวอยู่ในนั้นตัวตนเราหายไปไหนหมดแท้ที่จริงเราไปเกิดในนั้นเราก็ไม่ได้เลือดเอาเลือดสักหยดไปเกิดโดยซ้ําไปอาศัยธาตุของพ่อธาตุของแม่ประกอบกันประกอบกันด้วยอํานาจของอะไรของตันหา ใจของพ่อมีตันหาใจของแม่มีปัญหามีตันหาต่างคนต่างมีตันหาประกอบกามกิจเกิดกองสังขารกองนี้ขึ้นมาเกิดกองสังขารกองนี้ขึ้นมาสังขารกองนี้ตั้งแต่เขาปรากฏขึ้นมาเขาเคยอยู่เท่าเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมเราดูอันนี้เป็นอุปมาเราจะได้มาดูอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้เห็นปรากฏชัดในการที่เราจะมาพิจารณาในแง่ของธรรม เปลี่ยนมาเรื่อยเป็นน้ําใสใสเป็นน้ําข้นขเป็นน้ําล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อโตขึ้นมาเรื่อยโตมาเรื่อยเจ็ดวันเจ็ดวันแรกเจ็ดวันที่สองที่สามที่สี่เดือนแรกเดือนที่สองที่สามที่สี่เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสังขารสังขารร่างกายกขาเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเปลี่ยนตัวไปเรื่อยมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกครอบอวัยวะสามสิบสองประการอ่า แปดเดือนเก้าเดือนก็คลอดออกมาในระหว่างที่อยู่ในท้องแม่ไม่เคยอยู่คงที่ผลิตตัวเองอยู่ทุกระยะทุกเวลามีสายลําเลียงจากแม่ไหมลําเลียงธาตุธาตุอาหารทั้งหลายน้ำพวงไปหลอ่อไปเลี้ยงเป็นโรงงานอยู่ในนั้นนับตั้งแต่แก๊กเดียวขึ้นมาในท้องแม่จากนั้นก็เป็นโรงงานอ ย่อยแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรือยๆเจ็ดเดือนแเดือนเก้าเคลอดออกมานี่คือก า, ารกำเนิดของมนุษย์อันนี้เป็นส่วนรูปรธรรมน้ำมาทำก็มาจากจิตเข้าไปจับจองน้ำมาทำก็มากับจิตเข้าไปจับจองบาปกรรมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวง ก, ก็มากับจิตดวงนั้นไปจับจองในระหว่างที่เราออกมาจากท้องแม่ยังไม่รู้เลี้ยงสาภาวะ การยึดถือก็ยังไม่มียังไม่เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่พอยิ่งโตเข้ามาสองขวบสามขวบเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีสิบห้าปีเริ่มรู้เดียงสาภาวะไปมากเท่าไหรก่ก็ตัวเราของเราตัวเราของเราความถือเนื้อถือตัวทิฏฐิมรณนะขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่ว่าเราไม่ได้เอาเลือดจั๊กจั่งไปเกิดในท้องแม่แต่เราก็ยึดและเกินถือแล้วเกิด น, นี่ตันหามันผายึดเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นผลผลของตันหาทั้งนั้น นี่คือที่ไปที่มาของรูปธรรมเรามองเห็นง่ายๆเรามองเห็นใกลๆ้ๆที่ไปที่มาของนามธรรมก็คือผู้รู้ของเรากำเนิดตั้งแต่ตอนไหนกับการบริชชันไหนเราก็รู้จักไม่ได้แต่ว่ากำเนิดมาแล้วไม่บริสุทธิ์มีตันหาอาสวะกิเลสตันหาสวะทั้งหลายทั้งปวงปนเปื้อนมาด้วยนี่แหละเป็นพิษสงที่ทำให้เราได้รับกองทุกกองโทษอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้น ความเปลี่ยนของพบภูมิของเราก็คือความไม่คงที่ของจิตของเรานี้เองนึกคิดเรื่องดีบ้างเรื่องชั่วบ้างเรื่องบุญบ้างเรื่องบาปบ้างอ่านึกคิดอย่างใดอยังซ้ำเติมตัวเองให้ตกตามบ้างนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการพยุงเป็นการชูจิตของตัวเองให้สูงเด่นขึ้นบ้างก็เหมือนอย่างการนี้ระยะนี้เวลานี้เป็นระยะเวลาที่เราทําความสงบทางความรู้จักกับผู้รู้ของตัวเราเองทําผู้รู้ของเราให้ได้รับความสงบสงัดถือว่าเป็นการพยุงจิตของเราให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้น ให้ทันต่อริษเด็กของกิเลสตัณหาในหัวใจของเรานะับว่าเป็นการเป็นคราวเป็นโอกาสที่เป็นอุดมมังคลเป็นสิริเป็นมงคลกับ ห, หัวใจของเราเราได้ยินได้ฟังได้ถือเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเอาไปดำเนินชีวิตตามนี้เรามีความสุขเรามีความเจริญโดยธรรมทาให้ใจิตของเราเนี่เบาต่อการไวต่อการมีฮิริมีโอตปะมีความเกรงกลัวต่อบาปต่อกม ต่ออกุศลทั้งหลายทั้งปวงมันจะได้รู้จักเข็ดรู้จักหลาบความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกยเกิดมารบรบเรา้ารุมหัวใจของเราอันนั้นก็จะเริ่มเบาไปอันนี้ก็จะเริ่มเบาไป น, นีป่นี่คือการรู้จักพยุงพพชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นไหนเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือต้องมีศีลถเหมือนอย่างที่เรารับศีลไปแล้วนั่นแหละ รับไปแล้วถ้าหากเราไม่ไปวิรัตไปงดไปเว้นไม่มีอนกสงสินแต่ล ะ, ละข้อแต่ละข้อมันเท่ากับว่าเป็นช่องเป็นรูที่อกุศลทั้งหลายน่ยมันแทรกเข้ามาเช่นอย่างสินห้าเท่ากับห้าช่องพุทธเจ้าให้เราถือถือศินห้าเพื่อไว้ปิดรูทั้งห้าช่องเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่แพร่พูดผิดในกามไม่พูดเท็จพูดหยาบส่อเสียดไม่ดื่มสุราเมีไรแค่นี้ก็ถือว่าปิดช่องปิดรู ซึ่งสิ่งที่เป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ความทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดความทุกข์ลองเราไม่มีศินข้อหนึ่งเราก็ไม่มีข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเราไม่มีสักข้อเดียวเราอยู่อย่างมีเวรมีภัยมีบาปมีกรรมเรารักของเขาเดี๋ยวก็จะมารักของเราอฆ่าของเขาฆ่าเขาเดียวเขาก็จะฆ่าเราผิดลูกผิดเมียเขาเขาก็จะมาผิดลูกผิดเมียเราพูดโกหกเขาเขาจะมาโกหกเราดื่มสุราไม่ร้ยนี่ทาลายตัวเอง ทำให้เราขาดสติเมื่อขาดสติแล้วไม่มีหิริไม่มีอุตตระขาดสัมปชัญญะขาดความระมัดระวังตัวไม่รู้จับยับยัง้งช่างใจไม่ช่วยไม่จักระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวไม่สามารถจะรักษาพฤติกรรมของตัเองได้ถ้าเกิดความเมามาแล้วพฤติกรรมด้วยกายด้วยวัยจาไม่สามารถจะรักษาได้มันก็เป็นการซ้ำเติมจิตของเราให้เข้าสู่อกุศลกรรมภายในใจ เพิ่มพูนทวีคูณไม่จบเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ให้หยุดหยุดดื่มสุราเมรัยมันเป็นการทําลายสติทําลายสัมผัสัญญาของตัวเองทําให้จิตใจของตัวเองตกต่ําคืออัตภาพร่างกายของเรามันแพ้แพ้สารเคมีอะไรที่จะไปกดทับสมองทําให้เรามึนเคลิมนั่งนักเข้าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะติดทําไมคนต้องติดอ่าสิ่งเหล่านี้ทําไมมันเคริ้มเลิ้มกินก็ยากอะไรก็ยากทําไมคนก็ติดก็แปลก ด, ดีเหมือนกัน ทำไมคนชอบอย่างนั้นก็ไม่รู้ทําลายสติทำลายสัมผชัญญาฮิริโอตาปะไม่มีบางคนมีฮีริมีโอตาปะ ด, ดีตอนยังไม่เมาพอเมาเข้าไปแล้วโอ้ยนอนเกลือกกลิ้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละหมดสติหมดสัมผชัญญะหมดความระมัดระวังเนื้อหมดความระมัดระวังตัวยิ่งไอ้เหมือนๆตึงๆนี่ยิ่งสําคัญแน่ชวนผิดศินข้อหนึ่งก็ง่ายข้อสองก็ง่ายข้อสามก็ง่ายเพราะ ม, มันด้านไปหมด ข้อสี่พูดไม่มีล่องลอยเนี่ยมนสามารถผิดศีลทั้งสามข้อทั้งสี่ข้อได้อย่างง่ายง่ายแค่ดื่มสุราแค่ดื่มสุราย่างเดียวแต่โทษของข้อสามดังที่ปรารบไว้ตั้งแต่ตอนรับศีล น, นั้นอันนี้มันเป็นโทษที่หนักหนามากไปกว่านั้นอีกทั้งทั้งที่เรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่แต่เราไม่ละไม่เว้นสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้เราได้รับความทุกข์ได้รับกรองทุกข์นี่แหละคือโทษของกามพระพุทธเจ้าท่านทรงให้เราทําทานพระองค์พระองค์ทรงแสดงเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลทานกถาศีลกถาทั้งทานทั้งศีลเป็นเหตุให้เราได้สวรรค์สะขะขะักขกถาพระองค์ทรงแสดงเรื่องของสวรรค์ขามาสวรรค์ก็คือเราไปบังเกิดบนสวรรค์หกชั้นบนนั้นมีแต่กาลมาสุกเต็มแปร่ไปหมด ถ้าอยากบริโภคกามมีความสุขเต็มแพร่อตั้าใจะรักษาศีลให้มากตั้งใจให้ทานให้มากมีผลเมียนิสง์ให้เราได้สวรรค์สมบัติบริโภคกามเต็มแปร่อยู่บนนั้นแหละเอาดิน้นเดาเดาตายอยู่บนนั้นก็ยังได้เลยนั่นคือภพชาติของการบริโภคกามจากนั้นและพระองค์ก็ทรงแสดงถึงโทษของสวรรค์อาทีนวัคคาโทษของสวรรค์โทษของกาม บนสวรรค์มีแต่เรื่องของกามเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องพรหมโลกไปแล้วเนี่ยเขาพ้นจากอำนาจของกามแต่อยู่กับอำนาจของความลุ่มหลงทำกิตให้ได้รับความสงบหลองอยู่กับความสงบของตัวเองไม่ได้มาพิจารณาเห็นหลักอันนี้อางทุกข์างอนัตตาแต่ถ้าเป็นเรื่องของสวรรค์หกชั้นแล้วหลงติดเพลินอยู่กับกามบริโภค ก, กามจนลืมกินลืมนอนลืมพักลืมผ่อนลืมลายแล้วก็หมดอายุไขไปเลยก็มีอย่างที่ท่านเล่าเอาไว้นั่นแหละ คือบนสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงถึงโทษของกามทีนี้พระองค์ก็ทรงสแสดงถึงเรื่องอานิสงส์ของการออกจากกามอือาทีนวานิสังสคาถาคาถาคือคําพูดคําพูดเพื่อให้เห็นผลเห็นอานิสงส์จากการออกจากกามทั้งไม่เราจะออกจากกามได้จิตออกจากกามได้ก็คือคือจิตไม่ติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัส จิตจะไม่เริ่มติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสจิตดวงนั้นจะต้องสงบสงบอยู่กับอะไรพุดโธพูดโธ่ใช่ไหมมันห่างกันไหมเราพูดกันไปเราพูดกันมามันก็พันกันไปพันกันมาอยู่นั่นแหละจิตเริ่มสงบจิตจะเริ่มทิ้งอารมณ์กามจิตเริ่มทิ้งอารมณ์กามจิตก็จะเริ่มห่างออกจากกามจิตจะเริ่มสัมรอกกามออกจากหัวใจเมื่อกระไม้มันเริ่มแห้งมันเริ่มแห้งะ ไม้สดมันเริ่มแห้งมันเริ่มหมดยางมันเริ่มแห้งแห้งแห้งแล้วกลายกลายเป็นไม้แห้งไม้แห้งเท่านั้นที่เราไปเสียเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้เราเอาไม้สดสดไปเสียเกิดขึ้นไฟให้ไฟเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นไม่ได้ทำอยู่แต่ว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าผลคือเปลวไฟที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม้มันสดแล้วก็มันชุ่มด้วยยางยิ่งเราบริภโภคตามไม่หยุดไม่หย่อนด้วยแล้ว เหมือนกับไม้สดชุด่มในยางและยังถูกแช่อยู่ในน้ําดูสิเอาไม้เปียกๆไปเสียเกิดไฟเป็นไปได้ไหมเป็นไฟไม่ได้พระพุทธเจ้าสัานจิงทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเรามีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามท่านว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าคำว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าไม่ได้ปฏิเสธผลว่าอาเนสังสผลที่เราประกอบนั้นจะไม่พึงมีมีอยู่แต่มัน โอกาสที่จะทำให้เป็นเปลวไฟเกิดขึ้นมาได้มันเป็นไปไม่ได้โอกาสที่จะให้เกิดปัญญาเกิดปัญญายานมันเป็นไปไม่ได้จิตมันไม่สงบโอกาสที่จะหมุนจิตให้เป็นไปเหมือนอย่างเราเอาไม้แห้งไปสีให้เกิดไฟมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตเราเริ่มสงบจิตจะเริ่มทิ้งรูปทิ้งเสียงทิ้งกลิ่นทิ้งรสทิ้งสัมผัสอยู่กับความสงบต้องการเอามาพิจารณาเกิดความเป็นธรรมจิตก็จะเป็นธรรม ทำงานอย่างเดียวทำงานเรื่องเดียวเหมือนถ้าเราเอาไม้แห้งมาเสียเกิดไฟมีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าเราสีไปสียเสีสีแล้วก็หยุดโอกาสที่จะเป็นไฟก็เป็นไม่ได้นึกได้ที่นึกได้อีกกับสียเสีสีสียสีแล้วก็หยุดเนื้อแล้วก็หยุดสียังไงสีถึงจะได้ไฟออกมาใช้สีไปหนักหน้าก็ไม่เสียอมหยุดสีจน มีสั ญ, ญลักษณ์ไฟปรากฏมีควันปรากฏมีฐานน้ำดำ <c oughs> มีฐานแดงๆปรากฏเป็นลักษณะว่าคล้ายจะมีเปลวไฟปรากฏขึ้นขยับไม่หยุดเอาปากเป่าคุ๊บได้เปลวไฟมีไฟได้เปลวไฟใช้เกิดปัญญาเกิดปัญญาญาณเรามาดูไม้ทั้งดุนเอามาสีกันไม้สองดุนเอามาสีกันให้เกิดไฟกับเวลาผลปรากฏขึ้นมาคือเปลวไฟเหมือนกันไหม เปลวไฟกับดุนฟืนน่ะที่อามาเสียเกิดไฟเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันการที่เราใช้สติใช้สมชัมมัชย์ยะพิจารณาให้เกิดปัญญากับปัญญาญานมันก็เหมือนกับไม้ทั้งดุนกับเปลวไฟที่มันปรากฏขึ้นมามันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเราตั้งอกตั้งใจทําไม่ยอมหยุดจนไฟปรากฏหมายความว่าความภาคความเพียรความอดความทน ความอุตสาห์พยายามเจริญสมถะเจริญวิปัสนาช่วงเจริญสมถะเจริญวิปัสนาสมถะอย่างยิ่งช่วงเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาอย่างยิ่งสมถะหนุนวิปัสนาวิปัสนาหนุนสมถะสมถะหนุนวิปัสนาหนุนไปหนุนมาหนุนมาหนุนไปก็เป็นเหตุหนุนแก่กันและกันมีโอกาสมีความร้อนพอได้ไฟใช้ได้เปลวไฟใช้นี่ท่านพูดถึงว่าความเป็นได้ความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้ กับการที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาอานิสงส์ที่เราตั้งอกตั้งใจทํานั้นท่านไม่ปฏิเสธแต่โอกาสที่จะทําให้เกิดเป็นเปลวขึ้นมาได้เป็นปัญญาเป็นปัญญายาขึ้นมาได้มันมีขีดมีขั้นของมันดังที่ท่ญญานยกตัวอย่างมาพูดให้ฟังนี่แหละบุรุษยังมีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามหมายความว่าเรายังคลุกคลีอยู่กับกับบ้านกับช่องกับลูกกับผัวกับเมียนี่แหละอ่ากายยังไม่ออกจากกาม จิตยังไม่ออกจากกามคิดนึกแต่เรื่องกามถึงแม้ว่าจะออกไปอยู่วัดอยู่วาแล้วเนี่ยไม่อยู่กับบ้านา ก, กับช่องกับลูกกับเมียแล้วแต่จิตมันนึกคิดแต่เรื่องกามเหมือนกับไม้ยังสดๆชุ่มด้วยยางถึงจะไม่แช่อยู่ในน้ําเอาไปสีก็ Destroy, ยังยังเกิดไฟเกิดไฟเกิดไฟยากเรามาทําจิตให้รับ ร, รับความสงบจิตของเราเริ่มออกจากกามเหมือนกับไม้มันเริ่มแห้งเริ่มแห้งแหงเร่อยแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อ ย, เ, ย, เ, ยเพราะฉะนั้น โทษของกามอานันในส่งของการออกจากกาม ก, ก็คืออนันในส่งของการหยุดนึกคิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นอันนี้นี่เองคืออำนาจของความสงบนี่เองคืออนันนส่งของการออกจากกามถ้าเราไม่ออกจากกามไม่มีอนันนส่งของการออกจากกามมันเป็นไม้สดทำไมมันจะทาไมมันจะติด ป, ป็นเปลวไฟขึ้นมาไดา้ในเมื่อเราเริเร่มห่างจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอาไม้แห้งไปเสียเกิดไฟ ก็พอจะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าความเพียรไม่พอทำทำท ำ, ทำแล้วก็หยุดทํำทำทำทำแล้วก็หยุดทำทำทำแล้วก็หยุดมันก็อยู่แค่นั้นเองโอกาสที่จะเกิดเป็นเปลวเป็นขาเหมวเป็นอะไรขึ้นมาก็เกิดไม่ได้นี่พระพุทธเาท่านเอามาเปรียบเทียบให้ฟังนะทําให้เราได้ได้ข้อเทียบเคียงว่าเราเป็นบุรุษที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามแต่บุรุษที่สี่นั้ น, น่ะ หมายวามทําต่อเนื่องทําหนักหน้าทําจนเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาใช้อันนี้ปรากฏชัดกับตัวของตัวเองจะรู้ตัวด้วยตัวของตัวเราเองอาศัยว่าเอาเปล่นเอาตายใส่เข้าไปเลยนะฮะปรากฏควันขึ้นแล้วเอาปรากฏฐา น, น้ําด้ําขึ้นแล้วเอาปรากฏฐานแดงแดง้นแล้วขยับไม่หยุดหยุดไม่ได้หยุดเดี๋ยวมันก็จะหมดแดงแดงเข้าไปอีกมันจะหมดความร้อนเข้าไปอีกเอาตอนนี้แหละมันก็จับหลุดจับหลุดจับหลุดอ่า มันเอาเป็นออกตายใส่ตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าเหลือเด่นตายเหลือเดนตายเหลือเด่นตายตรงนี้แหละเหลือเด่นตายตรงนี้แหละถ้าไม่ถึงขั้นนี้โอกาสที่จะเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเกิดได้ยากมันขัดสีไม่ถึงได้จริงๆเปลวไฟที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยากนี่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนการสีไม้ให้เกิดไฟในการตั้งอกตั้งใจประพฤติทำปฏิบัติธรรมเราเอาสิ่งเหล่านี้มาเทียบเคียงกับความเป็นไปของเราที่เราจัดเราทํานั้น สมควรที่เราจะอยู่ขั้นไหนใจของเรานึกคิดแต่เรื่องการ่าถึงแม้จะเอาเอากายออกจากการรมแล้วก็ตามแต่ใจนึกคิดแต่เรื่องกรรมมันก็ไม่เปลี่ยนไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันดับแรกความสงบต้องเป็นเรื่องสำคัญใจต้องสงบจึงจะสามารถทํางานอย่างเดียวได้เราก็ตั้งใจทําไปรักษาศีลไปตั้งใจภาวนาไปสงบพอสงบปั๊บเราก็ตั้งใจพิจารณาพิจารณาไปเนื่อเหนื่อยปั๊บเราก็ต้องการให้สงบ สงบอยู่กับอารมณ์เดียวมันมันไม่สับสนมันไม่วุ่นวายถ้าหากจิตเราสงบแล้วเราก็มาพิจารณาพิจารณาในแง่ของสติปัฏฐานนี่เองสติปัฏฐานก็คือพิจารณาพาดพิงมาที่กายเพราะกิเลสมันพาดพิงมาที่กายกิเลสมันพาดพิงมาที่เวทนากิเลสพาดพิงมาที่จิตกิเลสพาดพิงมาที่ธรรมท่านจึงให้เจริญมหาสติปัฏฐานพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาบทใดก็ได้ทะลุ ปลุกโผล่ถึงกันหมดใครถนัดเกี่ยวกับเรื่องกายพิจารณาเรื่องกายพิจารณาจนได้อัดได้ทำใครจะถนัดเรื่องการพิจารณาเวทนาหรือเราจะพิจารณากายไปได้พอประมาณนั่งไปแล้วเจ็บปวดสลับจากพิจารณากายมาพิจารณาเวทนาเวทนาทักษว่าเวทนาวิธีทำทำยังไงกายให้ให้ศักดิ์ว่ากายอธิกายโยติวะปนัสสะ สติปัจจุปปิทาโหติสักจะว่ามีสติระลึกรู้ว่าเป็นกายอาศัยว่ากายมีอยู่อาศัยกายเป็นที่ระลึกอยู่อาศัยสติสักแต่ว่ามีกายอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตวนของเราทําจนสิ่งนี้ปรากฏในหัวใจของเรามันจะเชื่องจะชินมันจะเป็นการทำลายอัตตาตัวตวนของเราไปมาที่เวทนาก็เช่นเดียวกัน โดยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาพอนั่งเจ็บปวดนิดหน่อยก็โอ้ยเราเจดเราเจ็บโอ้ยเราปวดท่านให้มาพิจารณามาที่เวทนาถ้าตันหามันแทรกเข้ามาว่าโอ้เราเจ็บโอ้เราปวดอัตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่ออัตาตัวตนโผล่ขึ้นมาโอ้เราเจ็บโอ้เราปวดเรานั่งนานไม่ได้เดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวปวดเอวเดี๋ยวเสียเส้นเสียเอ็นเดี๋ยวเสียนู่นเสียนี่มันนึกคิดวาบวุ่นไปหมดมันเป็นเรื่องของตันหาที่มันมาแทรกหัวใจของเรา เรียกว่าตัณหามันครอบม้ว้ใจของเราแล้วมันชุดเอาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานเพราะฉะนั้นเราพิจารณาไปมีเวทนาเกิดขึ้นสักทรรเวทนาสุขเวทนารู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนารู้ว่าทุกขเวทนาไม่ใช่เรารู้ว่าไม่ใช่เราสุขเวทนาไม่ใช่เราทุกขเวทนาเพราะตัณหามันแทรกมาให้เราติดรูปตัณหามันแทรกเข้ามายเราติดเวทนาตัณหามันแทรกเข้ามาให้เราติดจิต การย้อนพิจารณาจิตเราพิจารณาจิตในแง่ของมหาสิทิฐานเราจะพิจารณาอย่างไรเราพิจารณาอารมณ์ของจิตจิตดีใจจิตเสียใจพิจารณาความดีใจของจิตพิจารณาความเสียใจของจิตพิจารณาความโลภของจิตพิจารณาราคะตัณหาที่เกิดที่จิตเราพิจารณาที่จิตเพราะจิตขั้นนี้มันเป็นจิตที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับอารมณ์เห็นรูปเห็นเสียงได้ยินเสียง ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสไม่ยินดีก็ยินร้ายเราพิจารณาดูจิตยินดีไหมพอเรากําหนดจดจอ่อปั๊บมันก็ดับความยินดีดับความยินร้ายดับอัตตาตัวตนไม่โผล่ขึ้นมาตัณหาสงบระงับในตอนนั้นนี่คือหลักการเจริญสมาสติปฐมฐานเราทําอย่างนี้อยู่ได้เป็นอาชินหรือเราจะพิจารณาธรรมะอย่างเดียวพิจารณากองทุก็กเป็นธรรมะอย่างเดียวพิจารณาเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอย่างเดียว พิจารณาตัวความอยากในหัวใจอย่างเดียวนี่ก็เป็นการพิจารณาสมุทัยเป็นการเป็นการพิจารณาธรรมล้วนๆพิจารณาการตั้งอกตั้งใจพิจารณามันก็เปลี่ยนมรรคเมื่อพิจารณาได้มันก็กลายเป็นนิโรธนี่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นเรื่องของมหาสติปัฏฐานพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอาศัยสติสักแต่ว่าพิจารณาให้รู้ว่า เป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมไม่มีเราไม่มีของของเราอธิกายโยติวะปนสสะสติปั จ, จปุปจิตาโหติอธิเวทนาติวะปนสสะสติปั จ, จปุปจิตาโหติอธิจตตันติวะปนสสะสติปัจุปจิตาโหติอธิอ่าธรรมติวะปนสสะสติปัจุปจิตาโหติอาศัยสักได้ว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมจริงๆ อาศัยสักดิว่าเป็นเครื่องเรารู้เป็นเครื่องเราลึกจริงๆทําได้ไหมเรากําหนดจดจอยอยู่เดี๋ยวนี้เราก็รู้เดี๋ยวนี้เพราะสติเรากล้ามันเหมือนกับจิตของเรามันสว่างมันโรู้ตัณหามันลูปขรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงพรัฒน า, า ถ, ถึงอานิสงส์ของการเจริญมหาสติใครตั้งใจทําได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงไม่ขาดสายทําให้คนนั้นมีอานิสงส์ อย่างเร็วที่สุดได้อัานได้ทำเจ็ดวันอย่างช้าที่สุดเจ็ดปีถ้ายังมีอาสวะกิเลสอยู่อย่างต่ําที่สุดได้ประสบดับพันอย่างสูงที่สุดได้เป็นพระอนาคามีถ้าหมดตันหาอาสวะก็เป็นพระอาหารหันต์ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างชา้าแต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเราสีไม้สีไม่ยอมหยุดสีไม่หยุดไม่ถอยจนติดปึ๊บเป็นไฟขึ้นมาได้ไฟใช้ นี่อันนี้สอของการเจริญมหาสติปัฐานเราไปดูมหาสติปัฐานนี่เองเป็นพระสูตรที่สําเร็จรูปสมถะก็อยู่ในนั้นวิปัสสนาก็อยู่ในนั้นบรรดาธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าจะเทียบมหาสติปัฐานก็เหมือนกับรอยเท้าของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคือรอยเท้าของช้างบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีรอยเท้าเล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งนั้น มหาเศรษฐีปัะธานจึงเท่ากับเป็นรอยเท้าของช้างรวมตลอมคําบอกคําสอนทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีทุกอย่างรวมลงอยู่ในนั้นหมดท่านไปพิจารณาไปอ่านดูไปพิจารณาให้ดีจะมีละเอียดรอบคอบอยู่ในนั้นทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่า่งเพราะฉะนั้นเราเอามาใคร่ควรมาศึกษามาพิจารณาเกื้อกูลกับการที่เราตั้งอกตั้งใจถือธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจะไม่ให้เราออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทาง จะไม่หเราจุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนิมิตนิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้ให้เราตรงเป้าไปสู่การดับทุกข์จากกิเลสตัณหาซะวะอย่างเดียวโดยสิ้นเชิงหากเจริญนิสัยใครพอที่จะมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีอะไรอยู่ก็จะเป็นไปตามเจริญตามนิสัยของคนคนนั้นแต่อันนี้คือกระแสทางที่จะทําให้เราได้อัดได้ทําได้มักได้ผล แต่ถ้าเราเจริญทางผิดไปจากนี้แล้วถ้าเราหลงไปทวีปไหนก็ไม่รู้ที่ท่านเรียกที่ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือเดินทางผิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังฆปะมิจฉาวาจามิจฉาหาชีวะมิจฉากัมมันตะมันจะมิจฉามิจฉามิจฉาไปหมดมิจฉาสมาธิมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันจะมิจฉามิจฉามิจฉาไปหมดคำวมามิจฉาคือมันไม่ลงมาที่ตรงเป้าของมหาสติอันนี้ มันนอกแนวของมหาสติอันนี้เราเอาวันนี้เป็นเป็นเป้าประสงค์เป็นสนามลงเป็นชัยสมรภูมิที่เราเข้าไปรบกริงรบสู้ชิิงชัยกับกิเลสตัณหาอาสวะเราเข้ามาตรงนี้เราอยู่ท่ามกลางสมรภูมิสนุกในการพิจารณาในการต่อสู้กันพระอาจารย์ท่านให้ความสําคัญท่านหลายให้ความสําคัญกับเรื่องของการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะรวมลงอยู่ในนี้ทั้งหมดท่านไ ป, ไปพิจารณาดูมีบทใ ด, ดบาดใดบ้าง ที่นอกเหนือไปจากที่พุทธิยาทัานรงแสดงไว้นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจับหลักของพระสูตรพระสูตรเดียวเราตั้งตั้ง อ, อกตั้งใจทำเจริญสมาธิให้แน่นหนามัน่นคงพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะอันกล้าแข็งของเราสติสัมปชัญญะฮิริโอตัปปะอุตสาหะวิริยะอุตสาหะความอดความทนตล่อมหลอมรวมกันเป็นปัญญาเป็นปัญญาญาณทำเรื่อยๆทำเนือง ทำแบบที่วัดทำแบบฝึกหัดเนี่ยทำเรื่อยๆทำเป็นประจำทำเนืองๆทำจน ช, นชนานิชานาญความสงบเราก็จะมีปัญญาเมื่อความสงบมีปัญญาก็จะเริ่มชัดเจนมั่นคงปัญญาเริ่มชัดเจนมั่นคงมากไปเท่าไหร่ความสงบของเราก็จะเริ่มแนบแน่นขึ้นไปอาศัยจะล่อมเดินด้วยกันไปเหมือนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเท้าวขวาเท้ า, ทาซ้ายเดินไปเดินไปเหน็ดหนื่อยแ้ก็หยุด คำว่าเดินในที่นี้หมายความว่าเราพิจารณาตามหลักมหสถิปิปทานพอเราเดินไปเจริญไปเหน็ดเหนื่อยเราก็หยุดอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทพโธทเพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยสับสนวุ่นวายสงบได้ไหมสงบได้จริงๆรงะงับได้จริงๆในนี้มีความสงบมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อู้อย่างเดียวก็เหลือกินเหลือใช้เพียงพอ ในชีวิตจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขมีวิหารธรรมมีความสงบเป็นเครื่องอยู่จิตของเราจะไปไหนโลกนีก้คือจิตเราดวงเดียวโลกนี้จิตดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าไม่มีจิตดวงเดียวนี้เราก็ไม่ต่างอะไรก้อนหินก้อนดินก้อนทรายวัตถุรอบข้างตัวเราแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีไม่มีผู้มารับทุกข์รับสุขการที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อ ให้สามารถาทราบถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อเรามาทราบหลักธรรมชาติที่แท้จริงและเราก็ปล่อยวางให้เขาอยู่ตามเป็นจริงเมื่อเราละได้ละปล่อยได้ละ ว, วางได้ผู้รู้ของเราบริสุทธิ์กองสังขารภายในจิตของเราก็ไม่มีหมดอวิชชาตนันหาวปาทานเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เรียกว่าสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารและสิ่งนี้ก็ไม่สูญไปจากโลกไม่สูญไปจากโลกพระจิต อันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่สูญไปจากโลกพระจิตอันบริสุทธิ์ของพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกไม่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นพวกเรากล่าวพุทธังธรรมังสังขังสารนังขจามิจึงก้องอยู่ในหัวใจของเราใครอยากเห็นเราให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นธรรมใครอยากเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระจิตธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ก็คือทำพระองค์ล่วงลับไปแล้วแต่ว่าธรรมะของพระองค์ยังมีอยู่ยังทรงอยู่ตราบใดที่ยังมีคนเอาอรยิยมรรคมีองค์แปดมาถือมาประพฤติตามมาปฏิบัติตามพระอริยบุคคลพระอรหันต์จะไม่สูญไปจากโลกจะไม่สูญไปจากโลกน่พระจิต ท, ที่บริสุทธิ์ที่พระรูปเจ้าท่านฝึกได้หมดไปไหมไม่หมดไปได้แต่ด้วยเหตุที่ไม่มาพาดพิงพวกเราจึงไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าหากพาดพิงพลาดพิงพระ อนุรุธะท่านนั่งมองท่านนั่งมองมองเห็นมองเห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไปพาดพิงที่รูปปัสมะบัติอรูปสมะบัติไปพาดพิงที่สัญญาเวทีไตรรโทษพระจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอนุรุธะมองเห็นเพราะพระอนุรุธะเป็นทุกขจักสุขเป็นผู้มีหูทิพตาทิพมองเห็นแต่ว่ารูปสมาบัติเนี่ยเป็นวิหารธรรมอรูปสมะบัติคือความสงบของจิตพิจารณาอรูปเป็นอารมณ์ เป็นวิหารธรรมสัญญาเวททยิตนันโรดดับสังขารร่างกายหมดในอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นวิหารธรรมจิตสามารถเข้าไปอยู่ได้เข้าออกเข้าออกเข้าออกได้แต่เวลาพระพุทธเจ้าไม่ประทับอยู่ในวิหารเหล่านี้แล้วเรามองไม่เห็นเราจะเห็นว่าพระจิตเข้าไปวารณะที่สองเข้าชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามเข้าชั้นที่สี่ในในขณะที่ประทับอยู่ในชั้นที่สี่พระ อนุรุทธะมองเห็นพราะออกจากฌานที่สี่อรูปฌานพระจิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่อรูปฌานก็ไม่เข้าพระอนุรุทธะมองไม่เห็นเฮ้พระจิตของพระองค์ไปอยู่ที่ไหนพูดได้อย่างเดียวว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วถึงอนุปาติเสสนิพพานแล้วกิเลสดับสังขารดับหมดจดโดยชิ้นเชิงนี่คือพระพุทธเจ้าปรินิพพาน สิ่งเหล่านั้นไม่หมดไปไหนเพราะฉะนั้นเราทำวัด ส, สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราให้ระลึกให้รู้ว่าเราไม่ได้กล่าวอย่างลมๆแ ล, ล้งๆใครตั้งใจเจริญจิตเหตุได้รับความสงบสงบมากสงบน้อยก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าพิพจารณาเห็นอนนี้จางทุกข์อันนั้นแตาเห็นมากเห็นน้อยก็เริ่มเห็นพระพุทธเจา้าเห็นหมดจดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์พวกเราไม่ต้องสงสัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องลอก การระงับดับตัณหาได้เรามาทดสอบได้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้เลยเราเห็นสักได้ว่าเห็นได้ยินสักได้ว่าได้ยินพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปไม่ให้เราเกิดความยินทีไม่ให้เราเกิดเกิดความยินได้าอาศัยสติคือผู้รู้นี่แหละสติสัมปชัญญะนี่แหละตล่อมรวมกันตล่อมหลอมรวมกันเป็นปัญญาปัญญาตล่อมรวมตล่อมหลอมรวมกันเป็นปัญญายาน มันหาพัฒนากันไปเรื่อยๆด้วยอาศัยเรี่ยวแรงด้วยสายสติด้วยอาศัยปัญญ า, าด้วยอาศัยความอดความทนด้วยอาศัยปุญญาบา ร, รมีด้วยอาศัยการตั้งอกตั้งใจส่งเสริมบำรุงอินทรีของเราให้แก่ให้กลา้าสิ่งทั้งนี้เราถึงจะสมมักสมหมายสมหวังตามที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจใครสามารถฝึกฝนอบรมได้ตามนี้คนนั้นถึงบุญเต็มที่ ทำได้มากถึงบุญมากทำได้น้อยถึงบุญน้อยใครไม่ทำเลยคนนั้นไม่เข้าสู่เส้นทางบุญเพื่อที่จะพัฒนาจิตของตัวเองให้เป็นไปในทางที่ดีไม่มีใครมีโอกาสเท่ากับชาวพุทธของเราชาวพุทธเรามีสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดอยู่ในมือแต่บางคนปล่อยให้หลุดไมห้หลุดมือโดยที่ไม่มีเจ้าของไม่มีคุณสมบัติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น พุทธทางศาสนาขจามิธรานานรมังศาสนาขจามิสังขังสศาสนาขจามิมีแต่ปากมีแลมลมแรงแรงพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งได้ยังไงพึ่งพระธรรมเจ้าพึ่งได้ยังไงพึ่งพระสงฆ์เจ้าพึ่งได้ยังไงเราพยายามศึกษานะประพฤติปฏิบัติจนให้เรารู้ว่าโอ้เราพึ่งพระพุทธเจ้าได้จริงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่สงบพระนับดับทุกข์เขียนจากหัวใจของเราได้จริง ได้ตรงไหนได้ตรงเรามีสมาธิได้ตรงเรามีปัญญานี่เองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเอาเป็นเป็นข้อเตือนจิตสจกิ จ, จใจน้อมนํามาเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาจิตของเราไม่ให้มันหยุดอยู่กับที่ให้มีการพัฒนาเพื่อเป็นการพยุงภพชาติของตัวเราเองวันนี้พวกเราถือว่าเป็นสริริเป็นมงคลเป็นวันที่เราหลอมรวมกันมาทําบุญให้ทาน นับตั้งแต่เมื่อเช้านี้เลี้ยงพระสงฆ์นับตั้งแต่พระมหาเถรทรองลงมาเรื่อยๆกี่วัดก็ไม่รู้สิบเอ็ดวัดหรือเปล่าตามที่ได้ยนินเมื่อเช้าสิบสามวัดแหละสิบสามวัดทั่วประเทศไทยมาสิบสามวัดปรามารมบุญมาใส่บาทอาหารกันจัดกันจนไม่หวัดไม่ไหวศรัท <laughs> ธาของพวกเราศรัาทธาฐานเราอย่าไปย้ำอยู่แค่ฐาน เราขยับมาตั้งใจรักษาศีลด้วยรักษาให้ติดขาดก็ไปเลยช่วงเทศกาลจะเข้าพรรษาอย่างนี้ด้วยแล้วนี่พยายามรักรักษาให้เิ็ดขาดไปเลยให้มันมีผลให้มันมีอเนกสงมันควรจะได้อะไรก็ควรจะให้มันได้ชีวิตของเราตั้งให้มีอยู่แค่นี้อย่าลืมว่าตายแล้วเกิดใหม่โห้ยเมื่ อ, อไหร่เราจะได้มาได้ใช้ชีวิตเราอีกกับที่เรารู้รอยู่มีสติ ด, ดีมีสัมผัสฉันยดีมีเรียเร่ยวแรงมีความอยากได้อยากดี อยากมีอยากเป็นเหมือนท่านอยู่ ท, ทั้งที่รู้รู้อยู่ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจตอนนี้ใครจะมาช่วยกระตุ้นเตือนเรางานการเราก็รู้อยู่เราทํามากได้มากเราทําน้อยได้น้อยเราทําอยู่จนพออยู่พอเป็นพอไปแต่ขอให้เราทําสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการประยุงภพบชาติของเราเองใครทําได้มากตายแล้วไปด้วยกันใครไม่ทําไม่มีตายแล้วปเปล่าๆบางคนไม่เหลือเท่าเดิมสมบัติ สมบัติความเป็นมนุษย์ไม่เหลือเท่าเดิมบางคนไปเกิดขึ้นใหม่ไม่มีคุณสมบัติเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะทิ้งศีลทิ้งธรรมเรื่องนี้แหละน่ากลัวที่สุดเราอย่าไปหวังพระศรีอานพระศีอานถ้าท่านไม่ตั้งใจให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดไม่มีโอกาสพบท่านดอกศรีอรยเมตไตรยุคนั้นเป็นยุค ข, ของคนดีเป็นยุค ข, ของคนที่คัดเลือกแล้วมีคุณสมบัติพอ ใครได้ยินได้วางเสียงอัดเสียง ร, รมของพระองค์มีโอกาสได้บรรลุอริยธรรมในในพระชาติที่พระองค์มาอาบัสนั่นแหละเราอย่าไปโยนไปข้างหน้าเอาทั้งทั้ ท, ที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้แหละตั้งใจปฏิบัติให้จิตสงบให้ลองดูให้เห็นความสงบลองดูตั้งใจเจริญสมาธิกำหนดจดจอด้วยมห า, าติเห็นตัญหามันโผล่ขึ้นมาให้มันสงบทร้ั้ดับไปเฉพาะหน้าเราเนี่ยเหมือนกับ ทำเหมือนกับทํากับกิเลสมันป้าขึ้นมาราบไปเลยลองกําหนดจดจ่อพิจารณาลองดูแหละเราจะต้องประสบพบเห็นสักวันใดวันหนึ่งเนะ่ะมันจะเป็นเหตุให้เราได้เพิ่มพลังให้กับชีวิต จ, จิตใจของเราทําให้เรามีที่เรามีแรงทําให้เราตั้งใจ พ, พัฒนากับการตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมกับการตั้งใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปอย่างมีเหตุมีผลมีผลปรากฏในหัวใจ ใครจะมาก็ยิมยิ้มย่องเท่ากับเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตรงไหนเราก็ก็ยิ่มยิ้มย่องเราจะให้ใครรู้เรารู้เราเองเราจะให้ใครมาเร่งขวนขวายบำเพ็ญฝึกฝนอบรมตนให้กับเราเราตั้งใจบำเพ็ญของเราเองอัตติอั ต, ตนอนทโนธโถมาตรงนี้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเ้าเราพูดเราบอกได้กันแต่ปากทนั้นแหละเขาเอาก็เอาเขาไม่เอาก็คือไม่เอา เราสามารถบอกเราตัวเราเองได้เต็มร้อยถ้าใครจูงเราจูงใครได้ก็นับว่าเป็นเป็นบุญของคนคนนั้นเราก็จูงมันไปไม่องนั้นเราไม่มีเพื่อน อ, อะไรก็คนเดียวอะไรตัวคนเดียวอา้าวเรากลายเป็นคนไม่มีเพื่อนเช่นแล้วที่พวกเราชักชวนกันมาประกอบกองการกุศลทั้งนี้พวกเราไม่ตัวเปล่าเพราะเรามีหมู่มีเพื่อนให้เรามีกําลังใจมีเรีย่ยมีแรงเป็นแรงเป็นพลังเป็นกาลังหนุนกัน จัดให้มีอยู่อย่างนี้มันเป็นการสร้างโอกาสให้กับเรามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับหมู่กับเพื่อนมันเป็นบุญส่วนหนึ่งอย่าลืมว่าบุญก็ช่วยจําแนกให้เราได้รับได้ประสบสิ่งที่ดีสิ่งที่งามให้กับชีวิตของเราทาให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขอเพราะฉะนั้นการประลบธรรมะมาก็น่าจะพอสมควรเกิเวลาแล้วน่าจะเป็นชั่วโมงละมั่งนี่ฮะนั่งสับประงกกันมาลูกอีกครั้งแล้วแหละฮะ อ่าใครมีอะไรประลบ ก, กันบ้างได้บ้างอ่าถ้ามีอ่าเอาสมควรเก่เวลาเพียงเท่านี้